ชีวิตเราต้องมั่นใจต้องมั่นใจในตัวเองจะทำดีจะรับผลชั่วปฏิบัติธรรมเจริญสติโดยชีวิตเราทั้งหมดด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจ อาจชัยการกระทำซึ่งเป็นกรรมที่ไี้คิดชีวิตของเราได้ชีวิตของเราก็สมบูรณ์แบบไม่มีอะไราขาดตกุกพร้อโดยเฉพาะในประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีวัดวาลามีโบสถ์ท่าโบวถนะเนนบวถ์คี แล้วก็มีวิธีปฏิบัติมีคำสอนมีหลักฐานพิสูจน์ได้เราก็เรียการทได้พระปราสุขโตก็ต้องอยู่โทษโทษตรงนี้กระสอนกันอยู่มีกติมีสารามีอาหารการฉันอยู่ได้เป็นมิตรเป็นเพื่อน มีผู้โคตรมีผู้ปังมีการกระทำทำดีมีสติมีสติต้อง ม, มีได้จริงๆเราจะไปมอบให้ใครพร้มดีทั้งหลายเราจะไปเกจกแจกใครพร้มทั่วทั้งหลายก็ต้องตัวเราก่อนต้องมีความรู้สึกตัวทำอะไรให้มันมั่นใจอย่าไปทำคลื่นๆการ อาศัยอันหนึ่อาศัยอันนี้คอให้คนอื่นช่วยอ้อนวอนไมใช่ต้องมีฝีมื อ, อต้องมีฝีมือให้มั่นใจตางใจนั่งลงวางฉันแลว้ววางบาทรลงนั่งลงที่กติในที่เหมาะสมใหนเรียบทที่สะดวกสะดวก จะรียนสติในรูปแบบต่างๆอริยบทต่างๆยืนเดินนั่งนอ น, นเวลาก็ให้โอกาสกลางวันก็สว่างกลางดึขก็มืดกลางคืนก็เข้ากะติดนอนพักผ่อนกลางวันก็ทำงานทำการปลานุพันเรียน เลวาเาลาฉันก็ฉันเวลาล่างหน้าแปลงวันโกนหนวดโกนผมนก็ทำซักผ้าซักผ่อนแล้วก็ทำาดับเราจะไปมอบให้ใครการทำคนดีนี่จะไปอ่อนเอ้อ่อนบออ่านนอนอ่านนี่ไม่ได้ อ่างความหนมอ่างความแก่อ่างเทศอ่างไว้อ่างัทธิอ่าง น, นิกายอ่างศาสนาอ่างบุคคลไม่ได้ใครก็ตามคืออันเดียวกันความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องทำ ควาเป็นพระความเป็นคนีความเป็นสงความเป็นอุบาสกวาสิกาเราทั้งนั้นหรือความเป็นโพธิสัตว์อย่างเราได้ยินในความแต่เรื่องของบุคคลอื่นเราจะไม่มีบ้างหรือเราจะไม่ทําได้บ้างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ ผู้หญิงผู้ชายคนได้ลูกเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นพระพุทธเจ้าผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นพระร์นี่ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นโจรเป็นคนเลวผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นคนดีนี่ไปอ้างเะไรไ มันก็โยกตัวเรมันมันจะี่คิดชีวิตเราเราไม่สติไม่สตินี่จะมันจะอยากมวรู้สึก สติเอามาประกอบเอามาใช้เพื่อเปลิดผลตนเองมาใช้เพื่อสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกว่ามันปลุกใจมันมนุษย์สมบัติทำอะไรบ้ดงละความตัวทำความดีมีสติมันหลงที่ใดรู้สึกตัวมันไม่รู้สร้างความรู้ขึ้นมาอาริบฏใ ด, ดที่มัน าพ่อพ่อไม่ชัดไม่เกณฑ์เปลี่ยนปรับใหม่ปรับใหม่ประกอบใหม่ปลาลบให ม, ม, ม่ตั้งใหม่ฮามันก็ประกอบลดโจรลดอะไรเพิ่ม อ, อะไ ร, ไไระต่างๆทําใหม่เรื่อยทําไม่เรื่อยกันีการที่ทำใหมเ่เรื่อยเราก็จะมีตำหนักมันหลงทําให้มันรู้เจ็ดตัว เมื่อมันไม่รู้ก่อสร้างความลู้ไปเมื่อมันไม่ลงก่อสร้างความรู้ไปเรื่อยๆเห็นตายตายก็มีจริงเห็นเวทนาเวทนาก็มีจริงในกายเวทนาก็มีอยู่จริงในจิตใจในตายก็มลีลอดไม่นะเดี๋ยวนี้่ประมาณมสาิบหกองศาสอมันก็ธรรมดามันก็มีอยู่ความหนาว ควารอนมันก็มีอยู่หนาวไป น, นี่ก็มีลบศูนยลบสี่ลบศูนแล้วยังไงก่อนลงไปอีกสี่นั่ก็มี 0, 0, มนมในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่เอเชียหรืออะไรประเทศไห น, นก็อาจจะร้มอ ม, ม, มากสนอเห็นไลมโ อันนี้เราอยู่นี่ก็ผลีผลีไม่ลำบากบ้านเราเมืงเราชาวประเทศอย่างประเทศสรัฐเนี่ยตอนนี้ถ้าใบไม้ใบเดียวก็มีเ ย, ยืนตะเดนโดเดยุใบร่วงหลนหมดตกควงตอ ก, กสัตว์เข้าโูกเข้าทําปูกคนก็อยู่ในบ้านในเดินเหยียบ ไปลองผิ่มไปมีแอรอุ่นนะวิ่งขึ้นรถทำไมวิ่งไปล่ะจะไปเดินไล่นะาออกจากรถวิ่งเข้าห้องทำงานออกจากห้องทำงานวิ่งขึ้นรถเราเลยถึงเวบานั้นเดินจากที่หลับที่นอนมา สาราหอใจไม่กี่ก้าวสองสามร้ก็มาถึงเดินมาสบายเดินจากสาราหอใจไปเาลาน่าประมาณสัก 4,0,9 ก็สบายไม่ต้องรู้หิมะ ไม่ต้องใส่ทอโบ้ดไม่ต้องชุดลุยเหี้มั้งก็ธรรมดาผ้ากีวรผ้าสีขาวเสื้ออะไรต่งางต่างแล้วก็มีสติรู้นะสึกตัวรู้สึกตัวไปนะเวทนาของเกิดรู้สึกตัวจิตใจที่มันคิดมันก็มีอยู่นคนะนคิดอ่ะพอมาคิดเราก็รู้สึกตัว รู้สักหลงรู้สึกตัวเ ม, มื่อมีทําที่เป็นกุศลหอกุศลเกิดขึ้นกับจิตกับใจมาย่อมจิตย่อมใจเรอบางทีก็มีปิติมีความสุขรู้บางทีก็มีความมุ่นว่ายสับสนรู้สึกตัวคของรู้สึกตัวลุยเลยจะไม่ใช่อี่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 เคร่งก็เคร่งเพื่อที่จะย่อนถ้ย่อนก็ย่อนเพื่อที่จะเคร่งมันก็มีอยู่ในตัวนะั่นแหละความหลงก็เป็นความรู้อยู่ในตัวความคิดก็เีความถูกอยู่ในตัวแต่ให้แค่ให้เปลี่ยนการเปลี่ยนไลยเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติหรือเรียกว่าภาวนา การเปลี่ยนร่าไปเป็นดีเรียกว่าภาวนาการเปลี่ยนจิตให้เป็นถูกเรียกว่าภาวนาหรือปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ใช่รูปแบบให้นอกรูปแบบบ้างออยางได้ไม่ใช่ค o p y จากครูบาอาจารย์อาจารย์หนอก็อย่างหน อ, หนอพุทโธพุทโธ เอาแต่พูดเอาแต่ว่าแต่สอนคนก็ยังได้จะด่าคดด่าหรือเตือนคนก็ยังได้จะลดสับลดย่าก็ยังได้ทำงานทำการอะไรก็ได้ทำหน้าที่หั่นผักหมูหงข้าวหมึ่งข้าว ต่างถ้วยล่างชามซักเสื้อซักผ้ากระดุกก <c oughs> ระปรู้สึกตัวคนชั่วดิไม่ใช่พุทโธไม่ใช่สมาหลังไม่ใช่ยุบหนอของเนอเพราะนันเป็นอันนี้นิดเล็กๆแต่น้อยเหมัอนคนหัดมันเด็กหัดเดินหัดนั่งมีรถนั่งมีรถนอนนี <c oughs> ที่จับเดินแต่ถ้าเก่งแล้วเขาก็ไม่ต้องจับตลอดชีวิตก็ได้อาจจะเดินไปไหนมาไหนไม่ต้องมีที่อาศัยไม่ต้องมีรถนั่งรถเข็นออกไปของเขาเองแบพึ่งตนเดงช่วยตนเดงน่ะคือขอ ง, งรอจริงมันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์จริงแล้วมันหลมเปลี่ยนไม่หลงจริงแล้วมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธถูกแล้ว ของนั่นะเป็นไม่ใช่ก๊อปปี้อันเป็นเรื่องของปฏิบัติเองลูกเองปฏิบจจัดตั้งเองลูกเองปฏิบัติใต้ให้ผลใต้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติรูกยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นได้สงการปฏิบัติของตัวเองผานนั่นะชีวิตของเราต้องมั่นใจแน่วนน่ เาต้องแน่วแน่ียิ่มแยกแยมใส่หลงสึกละเล็กได้ประกอบกับการงานสัมผัสกับความหลงสึกตัวสัมผัสกับความหลงอาจจะดีกว่าสัมผัสกับความหลงสึกตัวเพราะมันซึ่งใจนันหมดเท่มันลงซึ่งใจมันแต่ ผมรู้ผมก็ถูกต้องแล้วนวลลงมันซึ่งใจถ้ามีใครมาเตือนรู้สึกผมซึ่งใจมากกว่ถ้ามันผิดนะ <c oughs> ถ้าไม่ผิดก็ก็ซึ่งใจหรือว่าธรรมดาธรรมดาอะให้เราเนี่ยเตือนเราให้ซึ่งจใจเวลาอะไรที่มันลงซึ่งใจจะได้เห็น เงื่อนไขเห็นปวดอ่อนของตัวเองหลงเราก็โวดหลงล้วก็ทุกข์หลงแล้วก็เกิดที่เด็ตัณหากัททุกัไปไปเกลับขึ้นมาลุ้นสึกตัวลู้สึกตัวนั่งอยู่นี่จะไปจงคิดไปโน่นอะไรกันกลับขึ้นมามาลู้สึกตัว อานั่งอยู่นี่อลืมตัวไปเลยหลับไปเลยนี่คนพูดเขาไม่ฟังหลับไปเลยเอาแต่หลับเอาแต่หลับโอ้ติร์นทีมาลู่เสร็ตัวพวกเราอยาไปนั่งสะพังงให้คนเหตุสถาบันสติปัญญาป่าสุขโตออกจากนี่ไปอย่าไปนั่งสะพังโง่ใคนเหตุส <c oughs> ำนักอื่นก็ พอนังสับประโมกเก่งเงอตางอข้างหลับตานั่งลองต้หลับตาก็แต่ว่าอยาปสัะโมกสิงอะไันาไดแต่มันสบายสดชื่นตื่นรู้สึกตัวคนี้สติใดๆไม่หลงไม่หลงกับสิ่งใดๆท่านรู้สึกตัวเตรียมพร้องอู่สมองมันนับลก กบิก็ได้กระลอยก็ได้ก็ได้อายา็ได้ก็ได้ทำให้มันมีตัวมีตนก็ว่างก็ได้ว่างจากความหมายของความเป็นตัวตนเต็มก็ได้เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวเต็มด้วยสิ่งที่ถูกต้องว่างด้วยความผิด เราทำได้ทุกรูปแบบแต่ละได้ทุกรูปแบบทำดีได้ทุกรูปแบบรับควมชั่วได้ทุกรูปแบบทุกสถานการป์ามกดการต่า ง, างไปดีเลยไปว่างปล่าไปด้วยความรู้สึกั่วนจน ชำนิชำนาความชำนิชำนานในชีวิตในเรื่องควงถูกต้องในเรื่องของอยู่โดยชอบเรียว่ยาปริญญาปริญญาชีวิตไม่ใช่ป ร, ริญญาในสถาบันป ร, ริญญาในชีวิตนี่เป็นชีวิตที่อยู่โดยชอบป ร, ริญญาในสถานบัน การศึกษาตามสมมติปริญญาหรวิญญาในความชี่ยวนำนาญในวิชาการต่างๆวิชาทีพต่างๆแต่ยังทุกข์ยังโกรธยังโลภยังโลภแต่ปริญญาในชีวิตเองหมดเลยหลาบเรีกเลยชีวิตเลยชำนีชำนาญในความรู้สึกตัวชำนีชำนาญนความไม่หลงชำนีชำนาญในความไม่ทุกข์ คนละโลกควาทุกกับความโปรดโลกหลงอยู่คนละโลกกับชีวิตชีวิตเรายกออกแล้วคนโลกแบบนั้งแล้วเราค่อยเป็นลโลกน้ำหมือนน้ำมันเราเหมืนน้ำเสมอ มันน้ำแร่ปรนเนือ้อตะกอนจะมาที่มันมีคุณภาพแล้วทัานเคยเห็นเขาเอาเครื่องทำน้ำแรกมาเอาน้ำปลาเทใ ส, ส่น้ำปลาหายหมดเจือไหดเอาน้ำเล่าเทใ ส, ส่เล่าจือไปหมดอ้ามันจือ น, นะ การปฏิบัติทำมันก็จืดความโกรธมันจืดความโลภความหลงมันจืดเหลือแต่ความไม่เป็นอะไรมันน้ำปลาเทใส่เครื่องทําน้ำแร่ทาปลาไหลกันได้มหรืเหลือแต่น้ำธรรมดา <c oughs> มันจืดเครื่องมันดีทําในกระบวนการธรรมวิจยะโยนิโสมนาสิการสีนถลุงออก สมาธิย่อยออกปัญญาเข้าไปแยกแยะไม่มีะไรเลยภาษาเลยความโลภของกอดของลมทีเดตังนาของยากยกของศกกับปลดไปอะไรอาวามันทำมาเอจเราตอง ถึงสุดป้า้ปลายทางไปพกไปวนอยู่กับเสียงเหล่านั้นไปไม่ถึงไหนเพราะด่าเร็ยวปฏิเสธเขาไปเลยนะจมมองตรงนั้เหมือนใ น, น, นทานเรื่องแรกกาจินสัในทานเรื่องกาจินสักาจินสัตเคอได้ยินไห ก่าเจ้าก่าดะกาหินสากยางืองอุท hmm. ่าหอนกาหินสาตัวหลวงบทงหงวองกาหลงสากกาหลงลินกลิ่นไปบท่วงเหตุกาเห็นสากกากินสากยางืองอุท่าหอนกา้ลงหลงตัวเองวาแสบด้วยเหลือหลอ กาเห็นสาตตัวหลงวัดถ่หงหงวกาหลงดีดกลิ่นไปหมดทุนเหตุนกคิดแล้วแล้วทักทวนกาเยืย่อใบควากาหลงสัตตัวหลงวระถ่หงหงว์สวงสวดกลิ่นเอี๊ยมน้อยสิตายจ่อยต่างทะเลกาเห็นสัตลอยมากาง้อยขันตนกาเห็นสาตวล์ลอยมาโอ้โหหนาวงอรโอ้รวยแหล่าดูแล้ว กลียง่อยตเ้ยงง่อยส่าสกินเราต้งเี <c oughs> นนกกิดแฉลแล้วทับท่วกาเย่ยว่าจะฟองเกินมากกนมากจะป๊าไปเกินมา ก, ม า, ก, ม า, กาเย่ยโอ้ยเรารวยเราเรารวยเลริสุทธ์กาสร้างไรไปลำานตกทะเล ขึ้นก็วัดไปเรื่อยๆกากรลงดิงชิ่นเลยแต่ว่าสากินไปกินมากก็เบิดแต่วมามันเบิดแล้วก็โฉมลงหนาพลิกกาเฉดเด่บริเวนฟังเรากาจะบินขึ้นไปทางใดก็โบ้โหดไหนเนาะไปทางไหนเนาะบินบนไปหนมาโอ๊บลงนะกรับโฉมลง กหลงเลยนกินไปก็ทนเหนุพุ่มหลงโม่โทษสันบาปสามนำต่อกาสงสารตัวหลงบทงห่วงส่วงส่วงสวกินดีนหน่อยสิตายจ่อยตายทะเลลงไปล่าามบุคลบุคคลบางคนก็บางหลงเพศหลงวยหลงทรัพย์สมบัติเราไม่มีศีรษเรามีเมียมีผัวเรามีลูกไม่มีทรัพย์ โล้มมาไปว่าเอาไปว่าสิ่งเหลานั้นไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยลูกก็ช่วยเลยไม่ได้เมียก็ช่วยเลยไม่ได้ทรัพสมบัติก็ช่วยเลยไม่ไดก็เลยจมลงตรงนั้นร้องโหงร้องไห้ไม่รู้จะคิดไม่รู้จะทาจะเกิดจะตายยางไง <c oughs> จะเก็บยังไนทำไมเป็น นี่แต่หลงหลงในโูกหลงในรสหลงในกลิ่นหลงในเสียงหลงในเพศหลงในวัยหลงในลัทธิหลงในในกายหลงในหลับสกนณะหลงในปุดพัญญาสามีหลงในรสของโลกโูกรสกลิ่นเสียงนี่เาชาติเป็นชาติที่ทำให้สัตว์โลกหลง สติดูกายรูใจจะเห็นโลกอย่างแก่งแค่จะเห็นโลกอย่างแก่แก่มันเร่มันก็ื่อวิจิคิดสดาคนโงกคนหมกอยู่คนฉลาดถางล่องอยู่ไม่มาดูมาดูการรู้จมันจะเห็นตัวกายก็เห็นกายเห็นเป็นรูป ตัวไฟเขาเห็นจิดเห็นควคิดเห็นเป็นนามนั่งอนี่คือโูกคิดเป็นน่นคือน้ำมันก็คิดเป็นนามก็คิดเปมก็มีอำนาจมันก็ไปได้คล่องเข้าออกได้ท่องไม่มีอะไรรูดทางนอกจากความรู้สึกตัวนอกจากสติ เดิไปเดินมามันหลอกไปหลอกมาหลงไปแต่วันมันหลอกทีไรก็หลงหลงบ่อยๆเลยก็รู้ทันแล้วเราก็เป็นผู้เป็นคนมานี่อผคมหลงถ้าให้เกิดความฉลาดขึ้นมาหลงกลายก็ฉลาดหลงความคิดหลงไปในความคิดก็ฉลาดหลงไปในความโกรธความหลงก็ฉลาดความหลงก็ทําให้ฉลาด ความโกรธเขาทำให้ฉละเอาดีดีลยถ้าเราศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาก็าควหลงเป็นเหตุให้เกิดความหลงความโกรธทำเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราศึกษาความหลงเป็นเหตุให้ไม่หลงมันอยู่ไม่ได้ความจริงก็ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้ สิ่งที่ตนต่อการวิสูทได้คือความจริงความจริงต้องเป็นความจริงเสมอเราวม่เรามา ม, มีสติตัวกายเห็นเป็นรูปรูปมันจริงแค่ไหนเพียงลย่ะอะไรที่มันปนอยู่กับรูปมีสติเห็นความคิดเห็นไป น, นามความนามมันนามมันเท็จจริงแค่ไหนเพียงลย่ะเราได้ไประโยชน์อะไรจากนามอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ เรื่องของหนาอะไรที่มันเป็นโทษเรื่องของหนาเรื่องของรูปกคนัน อ, อะไรที่มันเป็นโทษอะไรที่มันเป็นประโยชน์เง <c oughs> ินเรามีพ่วงแพ้ขี่ข้ามคว้าเราไม่ใช่ด่านามนี่ก็เป็นชีวิตคิตใจของเราที่มันลู่ได้ไ ร, รเราใช่มันลู่เราใช่มันหลองเราก็ใช่เป็นแล้วไปใช่ให้มันลู่ ใชมันรู้สึกตัวแช่มันรู้สึกตัวก็เป็นธรรมก็เกิดความเป็นธรรมมีสติหรือเท่ารู้ทันอะไรที่มันอยู่กับโลกกำลังเนี่ยยอะแยกไดหมดที่มันสิน้นทุกข์ที่มันความไม่เที่ยงที่มันไม่ใช่ตัวตนอะไรต่างๆอาการธรรมชาติจางไรเหตุปัจจัยอะไรเราก็ฉนะเราเราก็ชนะ ฉลาดพอเห็นลูกขนาดนั้โอ้ยมันซึ่งใจงมันไม่มีอะไรที่จะซึ่งใจเท่ากับประเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจมันลึกซึ้ง <c oughs> แล้วก็มีประโยชน์เพื่อคนแล้วความรู้ที่มันเป็นฉลาดพอเห็นโลกูกขนาด ม, มันช่วยช่วยชีวิตให้ไหม่ไม่เกิดไม่แฉไม่เฉ็ี่ยไม่ตาย ไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกเป็นโลกเป็นนามตามความจริงลึกซึ้งรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากศึกษาชีวิตเราแนตะ่ไปปล่อยให้มันหมดเวลาหมดการหมดโอกาสไปถูกต้องแล้วโวกเราอาจจะไม่เหมือนคนหลายๆคน เช่เวลานี้นอนเสียงนังเสียงละทอนเติมต่องเติมตองเขาทำบุญทำบุญแบบไหนก็ไม่รูาวก้าวไวยีสี่ตัวหตัวไม่นังไมีวลาร์เสกงานตลอคืนสองคืนสามคืนเรียงพู้เรียงคนไปดูบุญของเข้อนี่แต่คนมอมอกกินบมูบุรีกินเล่ากินสัตสัต ไปเดืวงงานบุญเท่เขาคนี้เขาเป็นอะไรพินเล่าพินสัตสัตพินบุรีเสียงที่ผิดปกติจนหมูนลวงพอเสียไปตรวจหูเขาว่าหลวงพอ่อเคยมีเสียงดังๆอยู่ในเหตุการณ์เสียงดมองดังมีบ้างไหมโอ้ยประมีนั่นแหละชีวิตหลวงพ่อก็เกี่ยวข้องหมดเลย พรณีมอนตบรลงอนเปตมนนันนันเป็นเสียงวิทยาศาสตร์มันทำให้เรายอมนั <c> ่น <oughs> ก็ได้ยินมันหลเป็นเหตุให้หูเสือมมีฟูดังๆไหมจตึ้มนมี่ไห ม, ม, มก็มีวันที่ไปขอสวเขโจูดฟุกจะตึ้มเลยวัวดไ่ดว่าเราห่างจ้ะ ถ้ามาไฟก็ห้ามใครจะเจ็ดสุดพุกอยาวมาเขาศกตรงนี้นี่วันนั้นเขาจุดพุดลอีกบอกเขาแมันก็กระทบกระเทือนคนเราก็ยังไม่รู้แล้วนี่คนไทยเนี่ยแต่ว่างานแล้วเอาใส่รถคันนึงก็ยังไม่หมดเลยเครื่ อ, ลองลมพรมรถเก้ารถยาวก็ยังไม่หมด ขนไปเป็นคันๆรถเพื่อให้มันดักแม่นรไม่เชื่อท่องอยู่เป็นรถ เ, เ, เป็นรถขนล้องพองกเอาเวอมันดับักซิบตูตูหนึ่งตูหนึ่งทอของสรามเจ้าวแทนดินยอนยุบจี่นปานั่แวมวมเอาอยงนา ง, งนแกวมลำาเปนโง่หรือว่าฉลาด คนลงมัสร้างก็ ไ, ได้สร้างเสียงก็ได้สร้างรถก็ได้เอาให้คนหลงคนติดก็ได้สร้างยามากให้คนติดหลงไปสร้างสีสร้างกลิ่นสร้างรถกินก็กินกาวเหม็นๆน่ะทําไมมันไปติดอ่ะแล้วมันติดกลิ่นกาวเมันไม่ได้เสพไม่ได้กลินแล้วก็ไป น, นั่งไปดูแถวหัวลงโพงกรุงเทพ พกติดกินไปนั่งอยู่แถวห้องน้าไม่สงวนจะไปนั่งหน้าโมกน้ำลายไหลน่า ส, สัาสคนต์ไปนั่งอยู่แถวแถวห้องน้าห้อสะเหม็นแล้วกาว่าหอมมันกระติกนะไม่ได้พวเราทําไม่ฝึกฝนตนเองจงปลักต่ําสุดต่ําต้อยเป็นเปรตเป็นสุลกายเป็นสัตว์จิไรชานเป็นสัตว์นรก นยชีวิตของเรามันอยู่ในทางสี่แพ่งนะเส้นหนึ่งไปสู่สวรรค์นิพพานเส้นหนึ่งไปสู่มนุษย์เส้นหนึ่งไปสู่อาบายเราจะไปทางไหนกันปล่อยฝาดล้เลยเดี๋ยวก็หมดโอกาสแล้วเอาเธอะพวกเราจะโลนสติกัยิ่งหนุม่มยิ่งน้อยยิ่งดีตื่นแต่ตดสึแต่หนุ่ม อย่าราาอให้เทําให้แก่แกไปหองโลกหองร้านหองโลกเกินไปแล้วนเขาพัฒนากันแล้วเขาไปถึงมรรคถึงผลเปนมากแล้วหนุ่มน้าหนุ่ยทั้นั้นหน้าปวดเลยู้หญิงเนี่ยในประเทศไต้หวั น, นมีแต่ปริญญาทั้งนั้นาสาวทั้ ง, งนั้นปวดเป็นเล็กสุอ่าเขาพัฒนาแล้ว เป็นหนุ่มพร้อเป็นสาวเอาคนเป็นสาวเอาคนเป็นหนุ่มไปใช้ผิดประเภทเดีนี้ดูสิพร้มเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไรโรงงานแต่ก่อนพร้อมเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่งอยู่คนบ้านทําประดิษ์ประดอยออกห้าเก็บขิดเก็บหมอนมัดมี ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กับผ้ากับช่องโรงงามนความเป็นหนุมเป็นสาไปอยู่ในโรงงานเก่แล้วหมดโอกาสก็าทิ้งมากับความบาดไม่มีเลยออกโลกจังหวะเป็นวันนั่งร้อกดของโงอยู่บ้าหมดค่าเลยเสื้อมันหมดเลยมีคนหลายคนที่หลองพ่อไปหาเงินต่างประเทศเสื้อมัหมดเลย ตัวเขาบังคับเขาใช้เสียผู้เสียผลส่วนมุษยเอาชีวิตเป็นเศษสัตว์เศษตะกิตชีวิตเราเอาเป็นสัตว์เศษฐกิตไม่ใช่ชีวิตเพื่อชีวิตน่าขนหัวลุกพ่อมาลูกกายลูกใจลูกน้ำประตูเราใช้ลูกผิดประเภทเราใช้นามผิดประเภทตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะใช้ลูกใช้ใชนามอย่ากผูกต่อ ใครจะทำงานก็เป็นเรื่องของแต่ว่าหลวงข่อเนี่ยใช่ลูกใช้น้ำยาถูกต้องเท่าที่จะทำได้มาทีก็แบ่งแบ่งมันกันตั้งใจจะสอนทำอ่ะอ้าวโยมมาขอน่มนหลวงพ่อขอเจิมรถนี่นะนี่มันแบบก็มีเหมือนกันขอหน่ำมนขอไฟรูแคนนี่มันแบ เอออ้าวก็บางทีก็อ้าอหายเจอมรถเนี่ยเจอมไเลยเขาบอกเขาเจิมทุกทีเขาบอกเขาทุกทีเจิมคนแล้วรถพระนะเนี่ยรถพระนันี่ะตั้งใจดีนะก่อนจะขึ้นรถขึ้นเรือยกมือไว้ทิศและลึกถึงคนพ่อคนแม่คนครูอาจารย์และลึกคนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าไปลึกถึงอารมณ์้าคนล่านกรธ บางทีเราเ ล, ลึกถึงคนรักบางทีเราเ ล, ลึกถึงคนโกรธบาทีเราเ ล, ลึกถึงคนอืของอยู่ของกิบไปถึงนั่นไปกินเหล้าวันนั่นไปกินเหล้าวัานนี้หลงตัวลรื่มตั ว, ตวไปตรวจโรคเมื่อวันที่สามสเอ็ดขาขาดาหักแขนงัมันลงหลงตัวใจลงไปบาด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 จะลา บ, บาปกว่าบตรงนี้จะทำบุญก็ทำตรงนี้จะเป็นพระก็อยู่ตรงนี้จะเป็นผีก็อยู่ตรงนี้จะไปสวรรค์นี่พานก็อยู่ตรงนี้ถ้าเรามีสติรูปหมดลูกครบรูปทวนเข้าแถวมาให้เราดูเป็นตลาดนักของชีวิตทั้งหมดภพภูมิทั้งหมดผ่านลูกผ่านนามทั้งนั้นไม่ได้ลอยมาจากที่ไหน เมื่เใดขี่ว่าเขามาจากที่ไหนมันต้องต้นจากต้นีหนมีสติลงไปกรรมฐานทําลงไปตรงนี้นะวันนี้เราก็จะไปสอนธรรมที่บ้านหนองตะนาไปหลายวันแล้วันนี้ะยังนักุญศาสตรไปทั้งสิบห้าวันหนองตะนาห้าวันอ่าสิบวันไปสิบวันบ้านนายเจห้าวันตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่สิบห้า ก็เกือบสิบวันอยู่ดีไม่สุขนะจนัจะดสรัพก็จะ น, จนี่แหละจัส่งทีผมไปคนเดียวพอเราปฏิบัติทํากันเลยไม่ต้องไปก็ได้อยู่ที่นอนมันไม่เหมือนบ้านเราแหลกรนะ่อนรือเปิดพัดลมนั่นแลหละทไมเย็นในอุ่นเหมือนบ้านเรากัวงวันในีร้องพัดโอ้หาลมอะไนี่อะนี่นจะไป เต็นหาวางมาปูตามป่าไผ่ป้าไผ่ใบไผ่ก็ลนบปเลยเพคืบไปแล้วใบไผ่ลนแจกแสกไปเลยเดี๋ยวจะวางองไผ่ไม่องภูมไล่ล่นะาวานนี้ไตัดแดดมาตามคำเกือมาวันนี้ก็ฉันชาแล้วก็จะไปอ่ะวันนี้ก็จบการ้องทก า, ก, า ก, ก, ก็ะไม่กลัอกเ ระหังตัมมะตัมปุตตพะคะวุังภะคะวันตังอะติวเตมิสวกาโตภะตาัมโมมมมัสสังสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโก สังข์นา